นิ้วแข็งๆ ข, ของนายคีตสกิดมาทางเบื้องหลังพร้อมกับเสียงถามดุยดูยปลุกภวังเขาว่าเป็นไงเขาบอกนายหรือยังว่าเขาชื่ออะไรอืบอกแล้วรพินพูดด้วยเสียงปกติราบเรียบธรรมดาที่สุดพร้อมกับหันกลับมายังพักพวกทุกคนบอกมนหน้าตาเฉยเขาบอกว่าเขาชื่อยอดพอชิงตันวะขีดรองวัดอิสเบร คริสติน่าสเตลลีอุบอิบอะไรแทบกันอยู่ในลำคอคงมีแต่เชิดบุตรเท่านั้นที่หัวรอก ก, าก้ากากาออมาดังๆังท่ามกลางควา ม, า ม, ามเงียบนี่คุณพวกเราไม่มีอารมณ์ขันที่จะร่วมกับคุณในขณะนี้หรอกนะแต่สําหรับตัวคุณเองจะสร้างอารมณ์ขันให้กับตัวเองมั่งก็จะเป็นการดีนะมันจะเป็นการผ่อนคลายความเครียดลงซะมัง่งคริสติน่าสวนตอบมาด้วยน้ําเสียงชายเย็น กระพินไม่สนใจกาการของใครหันไปทางพันเอกแห่ง US Army ผู้บดินรนี้ได้กลายมาเป็นเกลอสนิทกับเขาไปแล้วถามเรียบเรียบต่อไปว่านี่คิดป่ะเดี๋ยวเราทั้งหมดนี่จะลงไปยังห้องใต้ดินข้างล่างนะมันจะลึกลับซับซ้อนขนาดไหนก็ยังไม่รู้ได้แล้วมันก็คงจะมืดมากทีเดียวไอ้ลำพังไฟฉายประจำตัวหรือต่อให้ตะเกียงแบตเตอรี่คงจะให้ผลน้อยมากนายมีพลุหรือว่าใต้เคมี ชนิดจุดให้เกิดความสว่างมากๆติดตัวมามั่งไหมลาริคิดแยกเขี่ยวแล้วกระตุกเอาแท่งกลมยาวของอะไรชนิดหนึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณหนึ่งนิ้วยาวแปดนิ้วออกมาแกว่งให้ดูบอกเสียงหุนหวนว่ามีนี่ไงเตรียมมาพร้อมแหละแค่เปิดฝาครอบจุดไฟเข้าไปเท่านั้นมันก็พ่นเปลวแสงออกมาในลักษณะเหมือนไฟพเนียงสีสม้มให้ความสว่างรอบตัว หนึ่งมืนแรงเทียนไม่มีควันไม่มีกลิ่นที่จะเป็นอันตรายมันเป็นใต้เคมีสำหรับใช้ ย, ยามฉุกเฉินในเหมืองลึกๆเวลาไม่มีแสงอื่นช่วยหรือใช้จุดเป็นสัญญาณชี้บอกอันตรายในเวลารถยนต์ไปจอดเสียอยู่บนทางหลวงเปลี่ยวกันไม่รถอื่นวิ่งมาชนหลังอ่ะดีมากวิเศษสุดเจว่าแต่มันจะใช้เวลานานสักเท่าไหร่สาหรับการพ่นไฟเป็นเปลวแสงออกมา หนึ่งดอกก็ร้าวสิบนาทีอะก็ยังดีดานายมีมากี่ดอกอะทุกคนฝ่ายฉันได้รับแจกติดตัวไว้แล้วทั้งนั้นแหละในการที่จะลงบาดาลกับนายครั้งนี้นะ่ะคนละสามดอกถ้านายคิดว่าไม่พอก็จะก็ลองบอกมาเดี๋ยวกลับลงไปเอามาเพิ่มได้้วพินบบกมืออืมเหลือเฟือเหลือเฟือเราจะใช้เฉพาะยามจำเป็นที่ต้องการความสว่างมากๆเท่านั้น แต่ยังไม่จำเป็นก็จะใช้ใต้แบบพื้นบ้านธรรมดาซึ่งคนของฝ่ายชั้นก็มีอยู่ช่วยเดืไฟฉายแล้วก็ตะเกียงแบตเตอรี่บึงคำประโยคหลังเขาเรียกไปทางคนของเขาซึ่งยืนสงบเรียงรายอยู่ครับนายเมื่อตะกี้นี้ตรวจ ด, ดูปากทางที่เราจะไต่ลงไปยังพอจะลงไม่ได้สะดวกไหมกว้างสักขนาดไหนล่ะ บุญคำไปดูแล้วล่ะนายหินเพดานที่มันหล่นลงมากระแทกทําให้ปากทางลงที่เคยตีบแคบน่ะมันขยายกว้างออกไปนิดหน่อยพอจะผ่านลงไปได้ทีละคนสองไฟดูก็เห็นเป็นขันบันไดหินทอดลงไปทางข้างในมันกว้างกว่าปากทางมากทีเดียวแหละเป็นช่องมือดํำปี๋เหมือนจะเป็นทางลงนรกไงงั้นแล่ะนายอืม ขณะนี้เราก็อยู่ในนรกดำอยู่แล้วละ่ะเพราะฉะนั้นการจะบุกลงไปในนรกอีกมันก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันสักเท่าไรหรอกนะเอาละ่ะทุกคนพร้อมไหมยังนี่แปลว่าคุณจะเริ่มลงไปเดี๋ยวนี้เลยเหรอหัวหน้าคณะถามจะ ม, มีอะไรลังเลหรือครับดรไม่มีหรอกแต่ผมอยากจะถามความเห็นคุณก่อนว่าข้างล่างนะ่ะมันควรจะเป็นอะไร ถ้าทายไม่ผิดนะครับมันก็น่าจะเป็นช่องทางที่นำไปสู่ห้องของสุสานแห่งราชวงศ์กษัตริย์ผู้ครองอาณาจากักรนี้อาจจะมีอะไรที่น่าสนใจมากโดยเฉพาะเกี่ยวกับทางหนีที่ไล่ต่อไปของพวกเราถ้าหากว่ามีซากมัมมี่ถูกนำมาเก็บไว้ใต้นั้นมากๆซึ่งต่อไปมันอาจจะถูกมนต์มืดของศัตรูปลุกให้ลุกขึ้นมาอาลวาลกับพวกเราเหมือนอย่างที่มันเคยทามาแล้ว เราก็จะได้ระเบิดกลบเส้นทางขึ้นของมันซะไม่ให้มันนำซากพวกนี้ขึ้นมาใช้เล่นงานเราได้ก็เรียกว่าตัดกำลังพวกมันไปเป็นจุดๆเท่าที่เราจะค้นพบได้แล้วครับนี่คุณฝาผนังอีกสองด้านมีอะไรน่าสนใจมากคุณไม่คิดจะเข้าไปตรวจดู ก, ก่อนเหรอเพราะคุณมาดูอยู่เฉพาะด้านนี้ด้านเดียวอะคริสติน่าพูด ชี้มือไปยังผนังอันอยู่ในเงาครึ้มของหมู่หินงอกและหินย้อยเปรียบเหมือนม่านบังอยู่อ่ะด้านนั้นพวกคุณตรวจกันละเอียดแล้วไม่ใช่เหรอก็คงเป็นภาพบุคคลและเหตุการณ์อะไรต่างๆแบบเดียวกับผนังด้านที่ผมดูเมื่อกี้นั่นแหละถ้าคุณคิดว่ามันมีอะไรน่าสนใจกว่านะ่ะลักษณะของคริสติน่าสออาการอึดอัดกังวลใจยังไงบอกไม่ถูกนี่คุณ ทีนยังไม่อยากจะให้คุณนำพวกเราลงไปยังสูสาลข้างล่างก่อนที่จะตรวจข้างบนนี่มันถี่ท่วนซะก่อนนะหลอนกล่าวเสียงเบาเคร่งขึงพวกเราพยายามเข้าไปดูก่อนแล้วก็จริงแต่ก็ยังไม่ละเอียดอะไรนะักเพราะแสงสว่างมันไม่พอประกอบกับเห็นคุณไม่ยืนเหมือนตะลึงอยู่ทางด้านนี้จึงถลงมาที่คุณซะก่อนก็เป็นเวลาเดียวกับที่คุณหมดสติล้มนั่นแหละ ฉันมีความเห็นว่าคุณควรจะเข้าไปตรวจดูด้วยตัวเองสักก่อนนะเผื่อมันจะเป็นแนวความคิดข้อวินิจฉัยอะไรแก่คุณขึ้นมาได้อีกก่อนจะรีบด่วนลงไปในสุสานข้างใต้นี่ซึ่งเราก็ยังทายกันไม่ถูกว่ามันจะลึกสักเท่าไหร่เส้นทางยากลำบากแค่ไหนและจะใช้เวลาสำรวจนานเพียงไรภายในอาณาจักรลี้ลับที่เราค้นพบนี่ไม่มีใครจะวินิจฉัยอะไรดีไปกว่าคุณหรอกประพิน ระพินจ้องเข้าไปยังผนังอีกสามด้านที่ล้อมรอบตัวเขาอยู่เบื้องหน้าด้วยอาการใคร่ครวญสแตนลีย์ก็กล่าวสนับสนุนขึ้นใหม่คนว่าอืมระพินคริสพูดถูกนะผมว่าคุณควรจะตรวจดูบริเวณข้างบนนี่มันตลอดซะก่อนไม่ควรจะผ่านมันไปเสียทางผนังด้านโน้นผมส่องไฟเข้าไปดูผาดผ่าตะกี้ผมว่ามีอะไรสะดุดใจอยู่หลายอย่างเหมือนกันอะไรล่ะครับ มันดูเหมือนจะเป็นภาพขบวนแห่ศพของบุคคลสำคัญมากนะรพินมีพวกขบวนข้าราชบริพารกองทหารแล้วก็กลุ่มนักบวชนําอยู่หน้าริ้วขบวน ล, ลักษณะนักบวชนั้นแต่งกายดูประหลาดมากล่ะคุณและที่สำคัญที่สุดก็คือผู้ที่สอดขึ้นมากลางคันด้วยด้ำเสียงหวาดหวาดก็คืออิสเบล ภาพที่บุมดูเหมือนจะเป็นนักบวชอาวุโสอันน่าจะเป็นหัวหน้าคณะเจ้าพิธีมีลักษณะผอมสูงหัวของเขาโกนโลน้นเกลี้ยงอยู่คนเดียวทรงหน้ายาวแก้มตบตาเบ้าตาลึกท่าทางจะเป็นคนสําคัญมากละ่ะเพราะมีภาพของเขาอยู่หลายอิรยาบถ ท, ทั้งภาพที่โดดเด่นเฉพาะตัวออกมาและภาพที่นาอยู่หน้าขบวนศพร่วมกับริ้วขบวนแห่ ขนาดเป็นภาพวาดหรือภาพแกะลวดลายแท้ๆเพียงแต่ฉันไปยืนส่องไฟจ้องอยู่เท่านั้น ấy, ก็เกือบจะเป็นลมหมดสติไปเหมือนกันเหมือนกับคุณเมื่อกี้เลยตาของก็ฝังไว้ด้วยทับทิมสีเลือดมันพุ่งประกายสะท้อนแสงไฟฉายตอบออกมาวาวโรดยิ่งกว่าตาเสือราวกับจะสะกดจิตให้ลืมตัวไปชั่วขณะโชคดีนะที่คริสเข้ามาตบหลังฉงันแรงๆแล้วเรียกปลุกให้สติ พร้อมกับสั่งให้ฉันดับไฟลงไมใ่ใช้ส่องเข้าไปดูอีกสุภาพบุรุษไพรเลือดในกายเย็นเฉียบไปชั่วขณะเมื่อได้ฟังคำบอกเล่าของเบนแตระงับความรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นปกติภายใต้สีหน้าแข็งกระด้างเฉยเมย อ, อันเป็นบุคลิกสามัญประจำตัวของเขาตัดสินใจในทันทีนั้นไปครับเราไปดูทางด้านที่เบนบอกเดี๋ยวนี้แหละคิด เตรมใต้เคมีของนายด้วยตำแหน่งนั้นเป็นเงาสลัวคลุมเครือมากเพราะแสงสว่างสาดเข้าไปไม่ถึงบางทีอาจจะต้องอาศัยใต้เคมีของนายเพื่อเห็นอะไรได้ชัดๆกับตาด้วยกล่าวแทบยังไม่ทันสิ้นประโยคจอมพลานก็ออกก้าวเดินข้ามก้อนหินนำหน้าเข้าไปยังผนังฝั่งตรงข้ามที่อิสเบรนชี้บอกทันทีทุกคนตามหลังเขาเข้าไปติดๆโดยแต่ละคนต้องเดินหลีกหมู่หินงอก ที่โผล่ขึ้นมาจากพื้นสูงสูงต่ำตำ่ขวางกั้นหน้าไว้เหมือนจะเป็นแนวสกัดกั้นไม่ให้เข้าไปชิดผนังด้านนั้นได้อย่างสะดวกซ้ํายังมีหินย้อยทิ่มเป็นรูปแหลมเรียวๆลักษณะต่างๆลงมาจากเพดานด้านโบนิกด้วยแต่ทั้งคณะก็แสวงลูกทางนํากายกันเข้ามาจนชิดฝาผนังซึ่งตกอยู่ในเงามืดสลัวนั้นจนได้โดยยืนเรียงรายกันอยู่ มีระยะห่างจากผนังประมาณสามวาบุงคำก็เกิดช่วยกันหิ้วปีกประคองอิสเบลนเข้ามาเพราะพื้นที่อันตะปุ่มตะปำครุ่ระซึ่งหลอนทําท่าจะเหยียบพลาดเกือบล้มอยู่หลายครั้งแสงไฟฉายหลายๆดวงที่ช่วยกันส่องเข้าไปไม่ช่วยอะไรได้มากนะักนอกจากจะมองเห็นเฉพาะริ้วลายที่แกะสลักไว้ผืนเท่านั้นจากผนังทามึนทึนที่กั้นเผชิญอยู่เบื้องหน้า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 อันเป็นพวกขินสีมีค่าต่างๆสะท้อนตอบแสงไฟสาดตร์ประกายแดงเหลืองเขียวและม่วงพราววูบไปหมดคิดขอใต้เคมีของนายสักดอกเถึกจุดและตั้งห่างจากพื้นประมาณสักสองเมตรเราต้องการพิจารณาภาพทางแถบนี้ก่อนนายคิดไม่พูดอะไรเปิดฝาครอบพุชนิดให้ความสว่างแบบคบเพลิองออก แล้วนำเข้าไปหาตำแหน่งตั้งกะระยะให้ใต้เคมีนั้นสามารถสาดแสงเข้าไปจับผนังส่วนนั้นทั้งหมดได้อย่างถนัดที่สุดเมื่อมันพ่นไฟออกมาโดยเสียบไว้ในซอกเพื่อตั้งเอาส่วนสูงขึ้นไม่ให้เอ็นล้มซะก่อนระหว่างที่พันเอกแห่ง US a อสอามีกำลังง่วนหาที่เหมาะวางใต้เตรียมจุดอยู่นั้นจอมพลดึงวิทยุประจาตัวที่เน็บเข็มขัดเข้ามา สกิดด้วยหัวแม่มือเปิดสวิตขึ้นกรอกคำพูดลงไปจันจันได้ยินตอบด้วยนะตอบด้วยอย่างทันทีทันควันเสียงจันดังตอบกลับขึ้นมาว่าครับนายจันเราจะจุดพลุไฟส่องดูอะไรหน่อยนะแสงมันสว่างจ้าเป็นเปลว อ, ออกไปมาก แล้วอาจจะมองเห็นลงไปถึงข้างล่างถ้าเห็นเปลวแสงเหมือนกับไฟลุกก็อย่าตกใจขอให้พักสงบกันอยู่ที่เดิมบอกเตือนลงมาก่อนเพื่อจะได้รู้จะได้ไม่เข้าใจผิดนะครับครับเข้าใจแล้วครับจันตอบขึ้นมาคิดจะตั้งใต้เคมีได้ที่สูดลมหายใจลึกอยู่หลายครั้งเหมือนจะดมพิสูจน์หากลิ่นอะไรบางอย่าง แล้วขีดไลเตอร์เป็นเปลวติดขึ้นใช้ส่องแกว่งไปมาตามบรรยากาศรอบตัวระพินขมวดคิ้วอย่างสงสัยคริสติน่ายืนอยู่ข้างๆเขาก็กระซิบบอกว่าทีดกำลังสำรวจให้แน่ใจซะก่อนว่าอากาศบริเวณนี้จะไม่มีแกส๊สไวไฟระเหยปะบนอยู่ก่อนที่เขาจะจุดพลุเพราะที่นี่มันเป็นบริเวณค่อนข้างจะอับ และเราก็รู้มาก่อนว่ามันเคยเป็นแหล่งที่ภูเขาไฟระเบิดมาก่อนแล้วแม้จะนานสักแค่ไหนก็ตามถ้าบางเงินยังมีแกส๊สไวไฟบางชนิดแทรกซึมอยู่ในอากาศบริเวณนี้พอเราจุดพลุนั่นขึ้นมันอาจจะลุกเข้ามาคลอกพวกเราหรือระเบิดขึ้นในทันทีก็ได้รับพินยิ้มออกมานิดหนึ่งพยักหน้าลงดีครับรอบครอบดีครับทุกคนที่อยู่ใกล้เคียงกับตำแหน่งที่วางพลุนี่ ถอยหลังไปสองเก้านะเปลวมันค่อนข้างจะร้อนหน่อยขณะที่มันพ่นฟู่ออกมาตอนแรกคิดประกาศขึ้นขณะที่แกว่งเรียวไฟจากปลายไลท์เตอร์เข้ามาใกล้ไส้สำหรับจุดเชื้อประทุทั้งหมดที่เข้ามายืน อ, อกกันอยู่ขยับกายจากตำแหน่งที่ยืนเข้ามาชิดถอยออกไปตั้งหลักและบัดนี้เปลวไฟจากไลท์เตอร์ในมือคิดก็แตะฉับเข้าที่เชื้อประทุทันที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 ฉะนั้นด้านนั้นก็เด่งชัดจากแจ้งกับทุกสายตาที่พุ่งจับมาอย่างฟินิพ์พิเคราะห์ทุกคนเงียบกริบไปอีกครั้งพากันจ้องสำรวจตรวจดูเท่าที่ใครจะมองจากทางด้านไหนก่อนเพราะมันเต็มไปหมดในลักษณะแถวยาวตลอดร่วมสิบเมตรภาพเหล่านั้นมันเป็นภาพตรง ก, กันกับรายงานที่เขาได้รับล่วงหน้าจากอิสเบลและเชิดบุตร ผู้เข้ามาตรวจดูคร่าวๆไว้ก่อนแล้วเพียงแต่ว่าคราวนี้จากแสงสว่างของใต้เคมีอันทรงประสิทธิภาพที่สุดของฝ่ายนายจ้างอเมริกันทำให้สามารถมองเห็นรายละเอียดทั้งหมดมันลานตาไปหมดและโดยไม่นับกันไว้เลยเป้าหมายจุดแรกที่ทุกสายตาเพ่งให้ความสนใจเข้าไปเป็นภาพของขบวนแห่ประหลาดนักรบร่างกายำในชุดออกสึก แบกหีบทรงยาวซึ่งดูเหมือนจะเป็นลักษณะหีบศกสองหีบเรียงกันหน้าและหลังแต่และหีบใช้ทหารสามคู่เป็นผู้แบกเนื้อหีบศพนั้นคือฉัดหางนกยูงและเครื่องสูงชันกษัตริย์ราธิราชแหนล้อมมาด้วยติดตามมาด้วยกองทหารที่ถือโล่และหอกอันเป็นกองเกียรติยศถัดต่อไปทางด้านหลังเป็นขบวนเดินติดตามของผู้คน ในเครื่องแต่งกายอันแสดงถึงยศถาสง่างามอันน่าจะหมายถึงพระญาติวงศ์และมุขอมาตรราชมนตรีและถัดไปอีกก็เป็นเหล่าริ้วขบวนของสาวสันกำนันในประกอบไปด้วยเครื่องมโหรีปีฉนไหนบันดกช่อมาลาปวงบุพชาติที่โปรยปลายไปตามเส้นทางเดินและประดับไปด้วยมาลายรี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 ขอห้อยประดับด้วยสายสังวานเพชรนินจินดาบอกตำแหน่งสูงมือและแขนอันผอมเรียวยาวประคองสายลูกประคำเส้นยาวใหญ่ยกขึ้นชูแผ่ขึ้นในระดับเหนือสีสักเหมือนจะเป็นการบูชาถวายสักการะหรือกระทําพิธีอะไรสักอย่างหนึง่งเหนือภาพขบวนอันยาวเหยียดนั้นขึ้นไปวาดเป็นรูปเทพพระเจ้า ในลักษณะแปลกๆเหาะลงมาและโปรยปลายดอกไม้พร่างพู ล, ลงมายังขบวนแห่นั้นโดยเฉพาะที่หีบศพทั้งสองนั้น Wonderful! w o n d e เ f u l เสียงอุทานแผ่วต่ำของใครคนหนึ่งในคณะในจ้างของเขาหลุดผ่านลำคอออกมาอย่างตื่นตะลึงระคนมหัศรจรันใจยิ่ง เป็นเสียงของดอเตอร์สแตนลีย์ทุกภาพประดุษมีชีวิตชีวาเคลื่อนไหวได้ทุกสายตาส่งความรู้สึกบอกตอนเองเช่นนั้นเพียงแต่ไม่มีใครปริปากเอ่ยออกมาเท่านั้นนอกจากจ้องคำเม็งพร้อมด้วยหัวใจที่สันระทึกอย่างประหลาดในความเงียบอุปาทานเสมือนจะได้ยินเสียงคลองลั่น กังวานกระหึมมาแท่ประสานไปด้วยเสียงมโหระทึกกลองชนะแตรสังเป็นบทเพลงเศร้าวิเวกหวามเข้าไปถึงขั้วหัวใจทั้งหมดรู้สึกขนลุกเกลียวขึ้นพร้อมๆกันใครจะเพ่งไล่ละสายตาดูภาพส่วนไหนของกระบวนอันยาวเยียดนั้นอย่างไรบ้างไม่ทราบได้ แต่รพินไทวันจ้องไปที่ภาพทหารแบกขีปสัทั้งสองนั้นเป็นเป้าแรกต่อมาเบนสายตาจับจ้องอยู่ที่ภาพนักบวชโลนริมฝีปากของเขาเม้มแน่นตาเบิกกว้างไม่กระพริบและบักนั้นเองใครสามคนก็เลี่ยงเขามายืนเบียดชิดอยู่แน่ตายเขา พร้อมกับเสียงกระซิบแผ่วเบาสั่นพรานนนั่นนา ย, นา ย, นา ย, นายบุญคำเกิดและเซยนั่นเองที่เข้ามายืนตัวแข็งกายสั่นเทิมอยู่ใกล้ๆเขาโดยเบียดแท็กนายจ้างคนอื่นๆเข้ามาระพินควานมือออกไปข้างตัวด้านขวาก็พบข้ากั่ามือหยาบกระด้างของบุญคำสัมผัสนั้นเย็นเฉียบ บุญคำก็กำมือเขาแน่นรพิมพ์บีบตอบเหมือนจะเป็นการรับรู้เท่าๆกับเป็นการเตือนไม่ให้กระโตกระตากพูดอะไรออกมาแต่บุญคำไม่ยอมเข้าใจอาการเตือนปรามของเขาอีกมือนึงของพรานเท่าสมุนขวาของเขาชี้จี้ไปที่นักบวชล้นในภาพนั้นปากของแกอ้าพยเยอร์พยเยอออไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้มันมันไรชัดเลยนาย แสงพลุที่ให้ความสว่างเป็นประกายเต็มที่จะรัดจ้าไปหมดตลอดแนวผนังบุญคำมีอะไรเหรอชี้ไปที่เจ้าตัวหัวโลนตัวสูงที่ชูลูกประคำอยู่นั่นทาไมคริสติน่าผู้มีความสังเกตเฉียบไวตามนิสัยคงจะจับอาการของกลุ่มพลานพื้นเมืองของระพินได้เอ่ยถามขึ้นอย่างสะดุดเข้ากับความสงสัยและจากคาถามของหล่อนนั่นเองสแตนลีย์คี อิสเบรและเชิดบุตรก็หันมาพบสภาพที่กำลังอ้าปากงาบงาบของบุญคําและมือที่ชี้ค้างอยู่แก่ไม่ตอบค่อยๆหดมือทําไกมาเป็นรูปสีสันแล้วนิ่งเงียบไม่ตอบคำใดทั้งสิน้นฝ่ายนายจ้างทุกคนจ้องที่ภาพนั้นแล้วหันมามองกลุ่มของระพินเป็นตาเดียวระพินถ้าเราถ่ายไม่ผิด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 ถ้าจะคิดบายเบียงติดบังอะไรแล้วก็อย่าลืมสัญญาที่เรามีไว้ต่อกันสินะคุณนายพรานว่าเราจะไม่มีอะไรอำพรางกันอีกเสียงคริสติน่าเน้นช้าๆมาอีกขณะที่ก้าวเมายืนชิดเขาเอื้อมมือมาจับต้นแขนแข็งแกร่งของรพินไว้กึ่งขอร้องกึ่งบังคับเฮ้ยเพญญื่อนยาก แต่จะอธิบายอะไรให้เราได้รู้ไว้บ้างก็อย่าอมพันนำไปนั้นขาดนะถ้าพวกเราโง่หรือไม่รู้มากเท่าไหร่นายก็จะยิ่งลำบากขึ้นเท่านั้นนะนายคิดร้องเตือนไีกคนอผมจะบอกให้ในเมื่อถูกพวกคุณคาดคั้นมาแบบนี้ระพินพยายามกล่าวด้วยเสียงให้เป็นปกติราบเรียบที่สุดซ่อนทุกสิ่งทุกอย่างไวภายใต้สีหน้าเย็นกระด้าง จนยากที่ใครจะอ่านความรู้สึกภายในขณะนี้ได้คือบุญคำเกิดแล้วก็เสยก็กำลังตกใจอะเรื่องอะไรล่ะฝ่ายนายจ้างถามมาพร้อมกันเป็นเสียงเดียวขมิงตาจ้องเขาและลูกน้องทั้งสามตาไม่กระพริบด้วยความกระวนกระวายใจก็ไอภาพของชายร่างสูงหัวโล้นที่ยืนอยู่หน้ากระบวนแห่ที่มองเห็นอยู่ในภาพนี่แหละ นี่คุณคารุณาพูดม้หมดสิ้นกระแสะความหน่อยได้ไหมได้เดี๋ยวพวกคุณก็สงบสติอารมณ์ไว้ด้วยแล้วกันคนของผมทุกคนจำได้ว่าไอตัวสูงหัวโลนตัวนี้มันเหมือนกันไม่ผิดสักนิดนึงไก่ผีดิบมันไรในซากเดิมของมันสมัยที่มันมาอารวาสกับเราตอนที่พวกเราได้เดินผ่านในครั้งแรก แล้วเราก็ได้เผาซากที่มีรูปร่างอย่างนี้ของมันกลายเป็นขี้เท่าเวละครั้งหนึ่งซึ่งในครั้งนี้วิญญาณร้ายของมันที่ผละออกจากซากเดิมไปสิงสู่อยู่ในร่างของนักรบซากหนึ่งอย่างที่พวกคุณได้เผชิญกันมาแล้วะผมบุญคําเกิดแล้วก็เสยไม่คาดฝันมาก่อนเพ่อจะได้มาพบกับภาพวาดของมันซึ่งตรงกับซากที่เราพบแล้วก็ฟาดฟันกับมันมาก่อน ดังที่เคยเล่าให้ฟังไว้ก่อนแล้วอ่ะไฟนายจ้างของก็แทบพังงาฮิเสียงเชิดปุ๊รร้องอะไรออกมาคำหนึ่งอย่างขวัญหายสเต ล, ลีคิตอิซาเบลและคริสติน่ายืนจังงังต่างหันขับไปจ้องภาพนั้นอีกครั้งคุณแน่ใจนะระผิดคริสติน่าถามมาด้วยน้ำเสียงเบาเรียบอันแสดงถึงความมั่นคงแห่งดวงจิต แต่ภายในนั้นไม่มีใครรู้ได้ผมกับบุญคำเป็นคนเผาซากของมันกับมือนะครับทำไมถึงจะจำไม่ได้ ม, มันก็น่าแปลกนะในที่สุดเราก็เข้าถึงแหล่งต้นตอจริงๆแล้วยังไม่มีอะไรจะต้องสงสัยต่อไปสเตลีเอ่ยขึ้นแปลงพร่าแล้วหันไปทางพรานทั้งสามของระพินที่กำลังมีหน้าตาตื่นเลือกหลักเหมือนถูกผีหลอก ซาสักยำบอกว่านี่บุญคำเกิดแล้วก็เสยเธอทั้งสามคนจำได้แน่น่ะไอเปรตหัวโล้นตัวนี้เลยครับในห้างที่มาเล่นงานพวกเราในคราวที่ผ่านเข้ามาที่นิทรานาครคราวก่อนนู้นพาเดี๋ยวไปนอนแช่อยู่ในแอ่งน้ำที่เราจะไปอาศัยดื่มกินปาเดี๋ยวก็ไปนั่งยิงฟันเป็นท่อนไม้แข็งโดดักหน้า แล้วเดี๋ยวก็เดินทือเขาใส่กว่าจะเอาซากมันมาเผาได้ออ้ยเล่นนะพวกเราเกือบตายกันไปหมดทั้งคณะเลยเกิดบอกขึ้นด้วยเสียงสั่นสะท้านพวกเราจำรูปร่างลักษณะหน้าตาของมันได้ดีที่สุดครับถึงนี่จะเป็นภาพวาดที่ดูว่ามันจะยังมีชีวิตอยู่ส่วนที่เรามาพบนั่นมันกลายเป็นซากผีดิบไปแล้วแต่มันก็เหมือนกันหมดทุกอย่างเลยแหละเสยสำลักบอกมาอีกคน แล้วก้มลงไปคว้าก้อนหินตรงหน้าเท่ากําปั้นขึ้นมาได้ก้อนหนึง่งเงื้อขึ้นหมายจะเข็นคว้างเข้าไปที่ภาพแต่ระพินคว้ามือไว้ได้ก่อนบังคับพยโยนก้อนหินทิ้งดุเบาเจะบบ้าไงจเจ้าเซยเงียบๆเฉยๆเป็นภาพเขียนเชิงบันทึกไว้ในเหตุการณ์ของพิธีแห่ศพ เพื่อจะนำไปประดิษฐานไว้ยังสุสานที่ใดที่หนึ่ง น, นเนี่ยหัวหน้าคณะกล่าวขึ้นช้าๆอย่างไตรรองพิจารณาลึกซึง้งลงไปให้ถึงพฤติกรรมในอดีตนักบวชโล้นหรือที่คุณเคยเล่าให้เราฟังว่าเขาคือราชปุโรหิตมันไรผู้มีจิตตานุภาพสูงเป็นผู้นำข บ, บวนพิธีนี้ ลักษณะของภาพมันก็บอกชัดว่าเป็นศพยิ่งใหญ่ระดับกษัตริย์แล้วก็มีอยู่ถึงสองหีบศพเข้าพิธีมาพร้อมกันนิรพินคุณพอใช้ความคิดกับเราได้บ้างไหมว่าสองหีบศพนั้นหมายถึงใครจอมพรานนิ่งเขาไม่อยู่ในฐานะที่จะเอ่ยคำใดออกมาได้เกี่ยวกับเรื่องนี้แม้จะรู้ชัดอยู่แก่ใจ แล้วก็ทำง่ายๆเพียงแค่สันศีสะช้าช้าระพินคุณก็ลองคิดดูให้ดีก่อนซิเสียงเบาอ่อนของคริสติน่าดังอยู่ใกล้ๆตัวเหมือนจะพยายามให้ความคิดกับเขามันจะเป็นไปได้ไหมจากเรื่องราวที่คุณเคยเล่าให้พวกเราฟังมาแล้วหิบสพแรกที่นำหน้านั่น คือหีบศพของกระยัผู้เป็นพระราชบิดาของเจ้าหญิงพันธุมวดีแล้วหีบศพตามหลังนั่นก็คือหีบของพันธุมวดีมันน่าจะเป็นไปได้ไหมสุภาพบุรุษใครรอบถอนใจแผ่วเบาโคงสันศีสระช้าๆอยู่เช่นนั้นเขาบอกกับตนเองว่ามีความจำเป็นที่จะต้องซ่อนเร้นปิดบังบางสิ่งบางอย่างไว้เสียแล้ว เพราะถ้ายิ่งอธิบายมากก็ยิ่งเกิดปัญหาให้ซักถามออกไปมากไม่สิ้นสุดทุกท่านครับผมไม่คิดว่าจะเป็นศพของเจ้าหญิงพันธุมวดีและพระราชบิดาของเธอจากหลักฐานที่พบมาก่อนนะครับพระสองพ่อลูกคู่นี้ไม่ได้ตายพร้อมกันจะมีพิธีแห่ศพมาพร้อมกันได้อย่างไง และศพของพันธุมวดีนะ่ะผมก็ได้ไปพบมาแล้วยังสถานที่อีกแห่งหนึ่งบรรทมอยู่ในโลงแก้วซึ่งก็สลายเป็นพัสมทุลีไปแล้วทันทีที่อาคมของมันไตรเสื่อมสิ้นลงในครั้งนั้นครับเขาตอบอย่างไม่สู้จะเต็มเสียงนะอ่ะแล้วสองศพตามภาพเขียนที่เห็นอยู่เนี่ยคุณว่าใครอิสเบลตั้งคำถามมาโดยเร็วความตื่นเต้นสนใจต่อภาพเหตุการณ์ที่พบ อันถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญทำให้ลอนลืมภาวะเจ็บปวดทางร่างกายซะอย่างสนิทผมก็เดาไม่ถูกนะครับก็อาจจะเป็นบรรดาบูรพกษัตริย์ของราชวงศ์ผู้ครองแผ่นดินนี้ก่อนสมัยของกษัตริย์ชัยุริยาและเจ้าหญิงพันธุมว ด, ดีมะอ่ะก็ถ้าอย่างนั้นจะมีนักบวชมันตรเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ในภาพของขบวนแห่นี้ได้อย่างไรล่ะคุณภาพของมันตร ซึ่งถ้าคุณเชื่อว่ามันเป็นมันไรจริงๆก็น่าจะพิสูจน์ได้ชัดนี่ว่ามันควรจะเป็นยุคสมัยเดียวกันกกษัตริย์สองพ่อลูกชัยสริยาและก็พันธุมวดีไม่ใช่เหรอระพินรู้สึกลำบากใจเป็นอย่างยิ่งฝืนยิ้มแค่นๆป้ายเช็ดเหงื่อจากหน้าผากที่เกาะพราวอยู่สะบัด่อกไปผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ ถ้าภาพเหล่านี้สามารถจะพูดและตอบคำถามของพวกเราได้มันก็น่าจะดีนะครับอสองศพมีศักก์สัตว์เข้าขบวนแห่คุณว่าขบวนแห่นี่มันน่าจะนำไปประดิษฐานไว้ยังสุสานถูกต้องไหมสเตลีพิเคราะห์มาอีกก็น่าจะใช่นะครับ มกุเทศนำทางตอบมาเกือบเป็นเสียงกระซิบเอองั้นสุสานของกษัตริย์คุณว่าควรจะอยู่ที่ไหนล่ะคิดยิงคำถามมายังเขาอีกคงมีเชิดวุดคนเดียวเท่านั้นที่ยืนดูภาพเหตุการณ์และฟังข้อซักถามโต้อตอบอยู่อย่างสงบแต่หัวใจเต้นแรงอย่างบอกไม่ถูกภาพที่เห็นอยู่เบื้องหน้านาบัตดนี้ สะกดนายทหารหนุ่มจนทำให้รู้สึกหายใจไม่ออกถ้าผมทายไม่ผิดพร้อมพูดเสียงแผ่วต่ำระพินป้ายหูแม่มือข้ามไหลไปทางด้านหลังอันเป็นช่องทางลงไปสู่พิภพด้านล่างมหาสุสานก็คงจะอยู่ตรงตำแหน่งที่เราตั้งใจว่าจะลงไปสำรวจนั่นแหละครับ แล้วอีกไม่กี่อืดใจข้างหน้าเราก็จะลงไปกันอยู่แล้วเชื่อแน่ว่ามันจะต้องเป็นแหล่งเก็บศพของชนชั้นกษัตริย์และเจ้านายชั้นสูงของอาณาจักรในอดีตการแห่งนี้ผมหมายถึงนิทรานครซึ่งอยู่ภายใต้สถานเทวไลาที่เรายืนกันอยู่นี่ครับเบลกวาดตามมองไปรอบๆออยังรู้สึกสยองใจแล้วหันกลับมาจ้องที่หน้าเขา กระซิบเสียงเบาหวิวนี่ระพินเมื่อคืนนี้เราสองคนเข้ามาอาศัยพักนอนกันอยู่ในบริเวณอันน่ากลัวที่สุดโชคดีเหลือเกินนะที่ไม่มีอะไรมันโผล่ขึ้นมาเล่นงานเราจากใต้ดินนี่ถ้าเรารู้กันสักก่อนแบบนี้่ฉันฉันว่าฉันคงช็อกตายแน่นๆนระพินแลสบตาเบลและตบไหล่แม่ผมแดงเ บ, บาๆอย่างปลุกปลอบใจ นีเบผมอยากจะถามความเห็นของคุณมั่งนะถ้าคุณพอจะให้ได้จากลักษณะของภาพที่วาดสลักลายไว้เป็นหลักฐานเหล่านี้จะเป็นเครื่องแต่งกายก็ดีลักษณะของกระบวนพิธีเครื่องใช้เครื่องดนตรีอาวุธตลอดจนเทพเจ้าต่างๆคุณพอจะวิเคราะห์ถูกไหมว่าเจ้าของอาณาจักรเนี่ยเป็นชนเผ่าไหนเบีลกัตริมฝีปากแน่น นิ่งไปกึ่งอึดใจขณะที่ตาจ้องจับไปยังภาพที่ปรากฏชัดอยู่เบื้องหน้ารพินฉันเองก็ไม่สู้จะแน่ใจเหมือนกันนะมันกึ่งกรีกกึ่งโรมันแล้วก็กึ่งพา ร, รตักกึ่งไอายาคุปผสมกันยังไงบอกไม่ถูกอะแต่องค์เทพเจ้านั่นดูลักษณะคล้ายพระศิวะของพวกพราหมณ์มันก็เป็นไปได้นะ ที่อาณาจักรนีเก่าแก่โบราณมากที่สุดในการค้นพบของพวกเรามันจึงน่าจะเป็นต้นแหล่งของศิลปะวัฒนธรรมและทัศนคติที่แพร่กระจายออกไปยังซีกโลกส่วนอื่นภายหลังก็บอกได้อย่างเดียวว่ามันจะต้องเป็นมาหาอาณาจักรที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดมาแล้วในยุคสมัยนั้นเหมือนเหมือนแผ่นดินในเทพนิยาย หรืออาณาจักรในความฝันนั่นแหละฉันวิเคราะห์ได้เพียงแค่นี้แหละระพินพระบอกแล้วว่าไม่มีความชำนาญในทางประวัติศาสตร์โบราณคดีมาก่อนลักษณะรูปร่างของผู้คนที่เขียนไว้โครงกระดูกใหญ่กะโหลกนูนมนแล้วก็ทุยทางด้านหลังน่ะมันเป็นลักษณะของร่างกายมนุษยชาติที่สูงสง่างามและสมบูรณ์แข็งแรงกึ่งยุโรปกึ่งเอเชีย โอ้พระเจ้าฉันบอกไม่ถูกจริงๆอ่ะมันเป็นความลี้ลับเหลือประมาณอ่ะขอเวลาอีกสักเดี๋ยวเทอนะแล้วก็ขอให้ทุกคนตามฉันมาทางด้านนี้นี่นี่นี่มีภาพอะไรที่น่าสนใจมากอยู่อีกภาพนี่ฉันเห็นมาก่อนแล้วอยากจะให้ระพินกับพวกเราทุกคนได้เห็นด้วยคิดบอกเสียงห้าวๆขึ้นกลางคันพร้อมกับขยับตัวเดินไตโกถินงอกไปทางด้านซ้ายมือของผนัง ซึ่งห่างไกลออกไปราวแปดเมตรขณะนี้แสงใต้เคมีแผ่ความจ้าเข้าไปถึงพร้อมกระบกมือให้ทั้งหมดเดินตามเข้ามาทั้งกลุ่มรวมทั้งระพินและพรานของเขาเคลื่อนตามการนำของคิดเข้าไปด้วยเสียงเชิดวุฒเอ่ยขึ้นเป็นครั้งแรกว่าภาพไรคิดมีมิสยูนิเวอร์สนานหนึ่ง ประทับนั่งอยู่บนบัลลังก์ประดับเพชรทางด้านโน้นว่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมงกุฎของเธอน่ะโอ้ยสวยกว่ามงกุฎของมิสยูนิเวิร์สที่ประกวดกันมาทุกๆปีซะอีอกหน้าตาหุน่นทรงก็เหนือกว่าสีอย่างเดียวเธอเป็นแต่เพียงภาพแกะสลักนูนออกมาจากผนังหินอ่อนนี่ถ้ามีชีวิตจริงๆมีเนื้อหนังมังสาซะหน่อยเดียวเท่านั้นน่ะโอยจะดีไม่น้อยเชย คำพูดของคีตดูจะเป็นคำพูดเล่นๆตามประษาของนายนั่นแต่ทุกคนที่ได้ยินพากันชะงนและประสาทตื่นขึ้นอีกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งรพินไครวัดเขารู้สึกว่าหัวใจมันวาาววิวยังไงสุดที่จะพ น, นาถูกแม้จะยังไม่สามารถมองเห็นได้เด่นชัดนักก็ตามครั้นแล้วชั่วอึดใจใหญ่ต่อมา คณะก็เข้ามาหยุดยืนอยู่บริเวณซ้ายสุดของผนังด้านนั้นซึ่งพอแสงสว่างสาดไล่เงาสลัวรางออกไปหมดสิน้นก็มองเห็นแผ่นพื้นหินอ่อนสีหยกใสาราวกับแก้วเจอร์ไนาเป็นฉากหลังวาวววูบไปด้วยเกล็ดมณีหลากสีและกึ่งกลางของบริเวณผนังหินหยกนั้นเป็นบริเวณหินอ่อนสีชมพูดเด่นชัดในแสงพลุเคมี จริงดังนายคิดพูดทุกประการภาพนั้นขนาดเท่าสตรีจริงที่มีสรีระเพียวระหงค่อนข้างสูงดรุณีผู้นั้นแกะเป็นภาพนูนออกมาจากเนื้อหินด้วยฝีมือประติมากรรมเหนือชั้นเกินกว่านักแกะสลักในยุคใดจะมีฝีมือวิจิตบัรจงเท่านางประดับเด่นยืดกายตรงอยู่บนอาสนะ สลักลวดลายดาขดนาคราดเกร็ดเพชรก่อนทั้งสองประสานคว้ไว้ที่อุระข้างหนึ่งถือคาาอันมีส่วนปลายเป็นดวงระวีเปล่งรังสีฉายอีกข้างหนึ่งกาดาบทองอายาสิกเป็นดาบสั้นเนื้อเสียนคือมงกุฎประดับเพชรล้วนที่ฝังเข้าไปในเนื้อหินที่แกะสลักนูนออกมานั้นขาวพระพักสงบ สำรวมเคร่งครึมดุจอยู่ในราชพิธีสถาปนาแต่จิ้มลิมพริมพรายอันน่าจะอยู่ในชนะสาแรกรุ่นดรุณีลักษณะของภูษาพัตราพรบอกชัดถึงความเป็นนางกษัตริ์ประดับอยู่เต็มอิสริยยศไม่ว่าจะเป็นตาทิพทับสวงสังวานทองกรปลอกพาหา ลวดลายของภูสาทรงลักษณะคล้ายเ ย, ยระบับเหนือเสียงขึ้นไปเป็นวิชนีหางหงสลับด้วยแววมยุราและชัดเจ็ดชั้นทองคําทั้งสองด้านลําสอของนางยืดตรงเนตและอย่างปราศจากจุดหมายไปเบื้องหน้าเกศายาวสยายลงมาเคลียอยู่ที่อังสาซึ่งปกคลุมไว้ด้วยร่างตาคายประดับอัญมณีนพผกก้า 9. แสงใต้เคมีของคีดที่จุดไว้และยังพ่นเปลวสว่างจ้าอยู่ส่งกระทบสับพระเครื่องประดับอันเป็นปวงถนิมพิมพาพรศาสตร์ประกายรุงร่วงลานตาไปหมดสแตลลีคีดอิซาเบลเชิดบุบตรบัดนี้ยืนจ้องอย่างตะลึงพึงเพริดระพินไพรวันนั้นถูกสะกดนิ่ง เหมือนตัวเองจะเป็นหินไปฉะนั้นส่วนบุญคำเกิดและเสยตะโกนลั่นออกมาพร้อมกันว่านายหญิงดารินความเงียบปกคลุมสถานที่อีกครั้งคงได้ยินแต่เสียงฟู่ของพลุฟไฟที่คิดจุดอยู่ทางมุมด้านโน้นเท่านั้น แม้ว่าภาพอื่นๆจะแลดูคล้ายภาพมีชีวิตชีวาสักเพียงใดก็ตามแต่ณภาพดรุณีสาวสูงศัก์ผู้ประดิษฐานอยู่เหนืออัสนะประดับเพชรผู้นี้กลับยิ่งมองเหมือนภาพมีวิญญาณสิงสถิตอยู่เหนือกว่าทุกภาพที่ต่างได้เห็นมาแล้วเนตงามเรียวยาวภายใต้ขนงประดุดปีกเหี่ยวของนาง แลสวนตอบมายังทุกคนและริมโอดซึ่งแต่เดิมก็แลเหมือนภาพหินแกะสลักธรรมดาบัดนี้ปรากฏสีชมพูระเรื่อรูปโคง้งเป็นมุมดุจกรีบกระจับอิ่มเต็มอาจเป็นอุปทานของทุกคนที่แลเห็นจากแสงสว่างของครบพลิงเคมีจุดไว้ยังมุมสุดด้านโน้นาศาสตร์ส่องเข้ามา ก, การเวลาแห่งความเงียบงนันตะลึงจ้องภาพนั้นจะผ่านพ้นไปเนื่อนานสักเพียงใดไม่ทราบได้ระพินมารู้สึกตนเมื่อมีฝ่ามืออุ่นจากเบื้องหลังแตะแผวเบามาที่ไหลของเขาพร้อมกับเสียงกระซิบเรียกรพินแม้จะไม่เหลียวกลับเขาก็ตื่นผวงัง และจําได้ว่าเป็นเสียงแม่ผมทองคริสติน่าครับนี่คุณจันรู้สึกคลับคล้ายคลัคลาเหรือเกินนะว่าจะเคยเห็นใบหน้างามที่งามเยือกเย็นระคนความเฉียบขาดแบบนี้ที่ไหนมาก่อนคริสติน่าเออย์ผักแผวแต่ทุกคนในที่นั้นก็พอจะได้ยินคุณคุณเคยเห็นที่ไหน รพินย้อนถามออกไปแทบจะไม่มีเสียงทำแม้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในแผ่นภาพนิมิตฝันที่ผ่านมาเมื่อคืนจะให้ความเชื่อมั่นเขาห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ณบัดนี้มันก็ยืนยันพิสูจน์ได้ชัดแล้วถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเพียงแต่ว่าเขาไม่อยู่ในฐานะที่จะแหลกจ ะ, ะแถลงความจริงใดๆออกไปต่อคณะนายจ้างของเขาได้เท่านั้น ที่ซอกโพรงถ้มหน้าผาตะเกียนทองคืนหนึ่งอันเป็นคืนที่คุณบาดเจ็บหนะักเพราะตกเหวและฉันเป็นผู้ดูแลรักษาพยาบาลคุณในคืนนั้นน้ำเสียงของคริสติน่าดังชัดเจนแช่มช้าเหมือนเจตนาจะให้พักพวกทุกคนที่ยืนรวมกลุ่มกันอยู่ขณะ น, นี้ได้ยินถนัดด้วยคุณผู้ไรผมไม่เข้าใจนรพิน คุณจําไม่ได้เหรอว่าระหว่างที่คุณสลบไปและพวกเราช่วยกันรักษาดูแลอาการของคุณภายหลังจากไปกู้อตัวคุณขึ้นมาจากเขวได้ในตอนกลางวันเรารักษาพยาบาลคุณอยู่ตรงพื้นราบใต้หน้าผาตกกลางคืนเรากลัวภัยจากกองทัพช้างจึงลําเลียงคุณขึ้นไปไว้ในซอกโพรงหน้าผาด้านบนชั้นนี่แหละที่รับหน้าที่ดูแลคุณตลอดคืนนั้น คอยเฝ้าถุงน้ำเกลือกระพินขโหมดคิ้วนิดหนึ่งเขานึกไม่ออกจริงๆแล้วไงต่อล่ะคริส <ง paso. S 1> ก็เพื่อเป็นการสะดวกในการตรวจบาดแผลรอยฟกช้ำที่อาจจะเกิดขึ้นกับร่างกายคุณแล้วก็เพื่อให้คุณนอนพักได้อย่างสบายฉันนี่แหละเป็นคนผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าให้กับคุณแล้วก็ได้ตรวจค้นพบว่าในกระเป๋าเสื้อด้านซ้าย กระดัานหัวใจของคุณนั่นแหละมีรูปของสุภาพสตรีคนหนึ่งซ่อนไว้ในถุงพลาสติกอย่างมิดชิดกันน้ำกันเหงื่อเป็นรูปของแพทย์หญิงดารินวรารทิ์คู่รักของคุณนั่นแหละฉันเนี่ยเป็นคนเก็บรักษาไว้พอคุณตื่นรู้สึกตัวขึ้นมากลางดึกคุณก็พยายามตบกระเป๋าค้นหาและฉันก็คืนภาพของเธอผู้นั้นให้กับคุณทีนี้จาได้ยังโอ้ จอมพรานอุทานขึ้นอย่างเพื่องจะนึกขึ้นมาได้คุณยังมีรูปของสุภาพสตรีผู้นั้นติดตัวอยู่แน่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้โปรดส่งภาพของเธอผู้นั้นมาให้ฉันและพวกเราดูอีกสักครั้งได้ไหมระพินนิง่งทุกคนของฝ่ายนายจ้างมองมาที่เขาเป็นตาเดียวโดวยคำพูดของคริสติน่าที่มีเลสไนาบางสิ่งบางอย่าง กระทบความรู้สึกอันก่อให้เกิดความโฉนหล่อนส ก, กิดเตือนเข้ามาอีกครั้งพร้อมทั้งแบมือขอแกมบังคับสุภาพบุรุษไครไม่อาจที่จะหลีกเลี่ยงได้จำใจต้องค่อยๆสอดนิ้วลงไปในกระเป๋าอกเสื้อเดินป่าด้านในแล้วคีบเอาแผ่นกระดาษค่อนข้างแข็งในลักษณะภาพถ่ายที่ห่อไว้ด้วยผงพลาสติก ส่งให้หล่อนช้ช้าคริสติน่ารับมาอย่างสงบดึงออกจากถุงพลาสติกก้มลงจ้องมองภาพถ่ายสีนั้นอย่างแน่วนน่แล้วเงยขึ้นมองเปรียบเทียบกับภาพใบหน้าที่แกะสลักไว้ยังผนังด้านนั้นในขณะที่ทุกคนฝ่ายของหล่อนจ้องขเขมงมาซึ่งก็เห็นแม่ผมทองเม้มริมฝีปากเกือบเป็นเส้นตรงพึงพมพำออกมาเบาๆว่า แปลกมากแปลกจริงๆระหว่างภาพถ่ายของหม่อมราชวงศ์หญิงผู้นี้กับภาพแกะสลักโบราณของสาวน้อยสวมมงกุฎนั่งอยู่บนอาสนะเพชรใครจะมีความรู้สึกยังไงก็สุดแล้วแต่นะแต่สำหรับฉันเห็นว่าน่าจะเป็นค้าวหน้าของคนคนเดียวกันชัดๆรูปทรงใบหน้าคิ้วดวงตาจมูกริมฝีปาก ทุกสิ่งทุกอย่างบนใบหน้านั้นอะทุกคนดูซะพร้อมกับกล่าวหลอนส่งภาพนั้นไปให้ด็อเตอร์สเตลีผู้เป็นหัวหน้าคณะก่อนอเมริกันอาวุโสรับไปอย่างงงๆดูภาพเปรียบเทียบกับภาพคนเท่าคนจริงที่เป็นหินแกะสลักแล้วเบิกตาแทบถลนขณะนั้นเองคิดก็ถือวิสาสะฉวยไปจากมือหัวหน้าคณะไปดู โดยมีเชิดบุตรและเบลช่างโงกเข้ามารวมดูอยู่ด้วยแล้วทั้งสามคนในกลุ่มนั้นก็อุทานแซดออกมาในลำคอเฮ้ยทำไมเหมือนกันเปรียบแบบนี้วะรพินยังยืนนี่คิดร้องมาอีกว่าเฮ้ ee, รพินรูปไายเนี่ยรูปคู่รักนายเหอรอรพินพยักหน้าลงนิดหนึ่งแล้วใช้นิ้วมือกดขามาับไว โดยไม่ตอบเป็นคำพูดแล้วทำไมถึงเหมือนกับนางพญาหรือเจ้าหญิงที่นั่งอยู่บนบอลลังนี่ยังกับคนคนเดียวกันอย่างนี้วันเนี้ยฉันก็ไม่รู้รพินตอบเสียงแห้งผือเขารู้แต่บอกไม่ได้พี่มันแปลกมากนะไม่ใช่คริสมองแล้วบอกก็เหมือนแค่คนเดียว ถึงพวกเราทุกคนก็เห็นว่าเหมือนกันอย่างกระแกะนะพี่พันธรีเชิดบุตรและล่ำาละลักมาอีกคนจ้องหน้าเขาอย่างพิษวงขีดสุดเบนก็ย้ำ ม, มาอีกว่าอืมใช่ทำไมถึงเหมือนกันแบบนี้เนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบกับรูปคู่รักคุณทุกันคุณว่าไงระพินมันก็อาจจะเป็นเหตุบังเอิญก็ได้อะระพินตอบอุบอีกไม่เต็มเสียงนะัก คริสก็เรียกไปทางพรานพื้นเมืองของเขาทั้งสามคนนี่บุญคำเกิดแล้วก็เสยเมื่อกี้นี้ทันทีที่ทั้งสามคนมองเห็นรูปแกะสลักทุกคนร้องออกมาว่านายหญิงใช่ไหมสามพรานของระพินยังหน้าซีดตายสั่นเทิมอยู่เช่นนั้นบุญคำและเกิดเงียบกริบไม่ยอมกล่าวอะไรอีกแต่เซยซึ่งเด็กกว่าทุกคนบอกพวดออกมาว่า ก่อนนายหญิงของเซย์จริงๆนะน่ะทำไมรูปที่แกะไว้บนหินอ่อนตรงบนหนังนี่ถึงเหมือนนายหญิงไปทุกอย่างก็ไม่รู้นะผิดกั น, นตรงเครื่องแต่งตัวเท่านั้นแหละคริสติน่ายิ้มออกมานิดหนะึ่งสายตาลึกซึ้งของหล่อนแลไปยังใบหน้าและอาการของเขาเหมือนจะสำรวจแล้วเอ่ยลักษณะสัพยออขึ้นว่าว่างไงคุณแม้แต่พรานลูกน้องของคุณเองก็ยังยืนยันอย่างนั้นน่ะ ขอถามคุณหน่อยแล้วกันนี่คุณมาจ้างใครแก่สลักรูปคู่รักคุณไว้ตรงนี้หรืมั้งและแอบมาแก่สลักกันไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยพรานใหญ่ขยี้ปลายจมูกด้วยหลังมืออีกครั้งอย่างแสน จ, จะอัดอั้นปันใจคงเมื่อแสนแสนปีก่อนนั่นหรืมั้งแต่ไม่ใช่ผมเป็นคนจ้างแก่สลักหรอกผู้ออกคําสั่งให้แก่สลักเอาไว้ที่นี่ ก็น่าจะเป็นคนในยุคนั้นที่มีอำนาจที่สุดเป็นผู้กำหนดให้สลับภาพขึ้นผมเองยังยอมรับเลยว่าผมงงเหมือนกันคริสติน่าชี้ไปยังภาพซึ่งขณะนั้นถือดูเปรียบเทียบอยู่ในมือของเบลและเชิดบุตรนี่ถามย้ำอีกครั้งนะภาพนั้นนะ่ะเป็นภาพของสัญญาแพทย์หญิงดารินวราฤทธิ์คู่รักของคุณถูกต้องไหมถูกต้อง ก็แล้วภาพที่แกสลักไว้ในอดีตย้อนหลังไกลแสนไกลที่เราพบเห็นอยู่เนี่ยเป็นภาพของใครเอาผมจะไปตอบคุ้มถูกดีงไงหระคุณก็ในเมื่อตัวผมเองน่ะไม่ใช่ทางแมชชีนหรือเครื่องมือหมุนย้อนเวลากลับไปสู่อดีต ท, ที่จะให้ข้อมูลในอดีตการแสนไกลได้อ่ะคุณแต่คุณเคยเล่าให้เราฟัง ว่าคุณเคยเห็นเจ้าหญิงพันธุมวดีมาแล้วในโรงแก้วใช่ไหมครับถูกต้องผมเคยเห็นครับแล้วเธอผููนั้นน่ะเหมือนกับเธอผู้ที่เป็นภาพแกะสลักอยู่นี่หรือเปล่าไม่ใช่คนละคนกันคาตอบของราพินไม่สู้จะเต็มปากเต็มคํานะก็แปลว่านี่ไม่ใช่ภาพแกะสลักของพันธุมวดีใช่ไหม อืไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่อย่างแน่นอนนะครับอะถ้างั้นเราก็ควรจะต้องมาถึงบทสมมุติฐานเลยละ่ะจากสิ่งแวดล้อมที่เราเห็นอยู่นี่ว่าเธอผู้นี้ผู้ที่เข้าหน้าเหมือนกับคู่รักของคุณคนนีนะ้คือใครรวมทั้งสถานภาพตำแหน่งของเธอในยุคนั้นด้วยเอ้ยพวกคุณก็หาสมมุติฐานกันเองคะสํสำหรับผมไม่มีความคิดหรือข้อสันนิษฐานอะไรทั้งสิ้น เดี๋ยวรพินก่อนอื่นคุณจะยอมรับด้วยตัวคุณเองไหมว่าภาพแกะสลักโบราณเนี่ยเหมือนภาพแพทย์หญิงดารินเป็นที่สุดเบนตั้งคำถามมาอย่างรวดเร็วก็เพียงแต่สันนิษฐานคล้ายคลึงนั่นนั่นแหละนี่คุณไม่มีความคิดหรือข้อคิดเห็นอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติมจากอาการนิ่งเงียบอยู่อย่างนี้เหรอ ก็มันเป็นสิ่งที่พ้นความคิดในทางหลักศาสนาของผมนะเขาเรียกปัญหาชนิดนี้ว่าอาจินไตคือสิ่งที่พ้นความคิดพ้นความรู้ของมนุษย์ธรรมดาได้แล้วก็ไม่สมควรจะไปคิดด้วยเพราะถ้าคิดแล้วก็จะทําให้เสียสติบ้าไปเองแต่มันก็น่าจะเป็นไปได้เหมือนกันนะในข้อที่ว่ามนุษยชาต เกิดแล้วตายแล้วในพิภพโลกนี่นับจํานวนไม่ท่วนนับการนับยุคไม่ถูกก็ย่อมเป็นธรรมดาที่อาจจะมามีเคราโครงหน้าหรือรูปทรงซ้ำแบบขึ้นมาบ้างก็ได้เสียงแผวต่ำเคร่งขริมของด็อกเตอร์สแตนลีย์แทรกขึ้นอย่างเป็นกลา ง, ลางเมื่อเห็นคริสติน่าและเบล กำลังป้อนคำถามเร่งเรา้ารุกหนักเอากะพรานนำทางซึ่งเขาก็แลเห็นอยู่แล้วว่ากำลังอยู่ในภาวะกระอักกระอ่วนจนปัญญาที่จะให้คำตอบได้นิรพินคุณไม่มีข้อสะดุ้งใจคิดเหมือนพวกเราในขณนะนี้มั่งเลยหรือไงคริสติน่าเอ่ยมาอีกกระดิกนิ้วเรียกภาพของหม่อมราชวงศ์หญิงดารินจากมืออันสัน ร, ริกของเชิดบุตรมาถือไว ตรวจสอบเปรียบเทียบอีกครั้งกับภาพแกะสลักที่นั่งเดนอยู่นั้นสะดุ้งใจคิดเดือคุณระพินทวนคำเจตนาปิดบังความรู้สึกภายในอย่างแน่ชัดในข้อไหนไม่ทราบก็ในข้อที่ว่าในอดีตการยาวไกลลึกลงไปแพทย์หญิงดารินคู่รักของคุณในอดีตชาติ ก็คือสาวน้อยสวมมงกุฎบนอัศนเพชรนางนี้ยังไงล่ะจอมพรานยิ้มแค่นๆเราไม่มีหลักฐานอะไรจะมายืนยันให้เชื่อได้อย่างงั้นนี่แล้วคนเราก็อาจจะมีหน้าตารูปร่างเหมือนหรือซ้ำกันได้อย่างที่ดอกเตอร์สเตลีพูดเมื่อครู่นี้ยังไงคุณนี่นๆๆนนถามจริงอ่ะคุณไม่รู้สึกแปลกใจมั่งเลยหรือไงเนี่ย ก็แค่แปลกใจเท่านะั้นแหละคุณแต่ไม่ก่อให้เกิดความคิดติเพิ่เจออะไรมากนักล้วคริสติน่าสเตลีเบ์คิดและเชิดบุตรหันไปพูดอะไรซุบซิบเหมือนจะหารือกันเองและในระหว่างนี้บุญคำเกิดและเสยก็เลี่ยงเข้ามาประกบรอบตัวเข้าอีกครั้งพากันกระซิบนาย นี่มันภาพแกะสลักของนายหญิงดาริงชัดๆเหมือนกันหมดทุกอย่างเลยนายเฉยๆไปนะมันเป็นเรื่องบังเอิญประจวบเหมาะเท่านั้นแหละเขาปั้นหน้าเฉยดุเบาๆไม่ให้พวกนั้นวิพากษ์วิจารณอะไรอีกบนคำเกาหัวแกกบบนพื้พรมวะยังไงซะแล้วทำไมถึงได้พิลกกือๆอย่างนี้ว้ย พันธุมวดดีในโลงแก้วที่เราเห็นกันว่าสวยที่สุดแล้วในคราวนั้นก็ยังสวยสู้นายหญิงที่สวมมงกุฎนั่งเป็นหินอยู่นี่ไม่ได้เลยเนี่ยนายหญิงดารินตัวจริงอะ่ะถ้าจับมาให้แต่งตัวอย่างนี้ก็คงจะรูปร่างหนาตายอย่างนี้แหละเสยเอาศอกระทุ้งเกิดคลางออกมาเออข้าก็ว่างั้นเหมือนกันขังงงไปหมดแล้วไอ้จะว่าตาฝาดก็ใช่ทีอะ่ะ ขนาดพวกฝรั่งยังยอมรับเลยพวกนั้นเห็นแค่รูปนายหญิงเท่านั้นแต่พวกเรา่คุ้นหน้าคุ้นตากับนายหญิงดีทําไมจะไม่ยิ่งโตกระใจเกิดพุดมพำออมาอีกคนเอามือขยี้ตาแล้วขยี้ตาอีกบอกว่าอย่งเงียบเงียบไอ้พวกนี้นี่ระพินตวาดมาเบาๆอย่างเริ่มหงุดงิดเขาไม่ต้องการให้ใครทั้งสิ้นเข้ามาพบกับข้อพิษสงผประหลาดใจอยู่ในเรื่องนี้ แล้วก็อยากจะให้ทุกคนละความสนใจซะอึดใจต่อมาคณะนายจ้างทั้งหมดหันมาทางเขาอีกครั้งคริสติน่าส่งรูปดารินคืนมาให้ซึ่งระพินก็เก็บลงที่เดิมตำแหน่งแนบหัวใจอย่างสงบวางหน้าตายไม่ส่อความรู้สึกใดๆให้ใครจับพิรุษได้เหมือนเดิมทั้งๆ ท, ท, ที่ภายในของตนเองก็วันไหวระทึกสั่นอยู่ในขณะนี้ ยิ่งกว่าคนอื่นเสียอีกเพราะรู้อะไรที่แฝงเร้นอยู่เบื้องหลังภาพแน่ชัดอยู่แล้วเขาจะบอกกับใครได้ยังไงแม้แต่คนของเขาเองวันนั่นคือจิตรางขนางมากุฎราชกุมารีแห่งมหาอาณาจักรนิทรานครผู้กลับชาติมาเกิดเป็นหม่อมราชวงศ์หญิงดารินวราริศในยุคนี้โดยมีกรรมเก่าต่อเนื่องกันมาทุกชาติพบจวบจนกระทั่งพบปัจจุบันนี้ ตัวเขาเองอักคณิรุธในอดีตซึ่งก็กลายมาเป็นพรานรับจ้างนามว่ารพินไพรวันในยุคนี้นี่รพินตัวคุณเองน่าจะเข้าใจอะไรดีกว่าเรานะหวัวหน้าคณะกล่าวอย่างเอาจริงเอาจังอีกครั้งแต่เมื่อคุณไม่ให้แนวความคิดอะไรกับเราไม่ยอมให้แม้แต่จะช่วยในด้านสมมุติฐาน เราก็จะมาถึงบทวิเคราะห์กันละรูปชายสูงอายุนั่งบัลลังก์ภายใต้เครื่องสูงซึ่งมีเทวรูปสิวะอยู่ด้านบนนั่นคือองค์กษัตริย์แห่งอาณาจักรยิ่งใหญ่นี่ใช่ไหมผมก็ว่าใช่นะเพราะภาพสิ่งแวดล้อมมันชี้ชัดแล้วก็ดันชื่อยอดวชิงตั้นซะด้วยอย่างที่นายบอก <c oughs> คีดสอดมาปนเสียงหัวเราะ แต่สเตลีเอาฝ่ามือตบหลังหนักๆเชิงให้สงบปากคำอารมณ์คันนองลงซะผู้กระพินต่อกระพินและรูปสาวน้อยที่ประดิษฐานอยู่ทางด้านนี้จากข้าวหน้าอันเป็นสาวรุ่นอ่อนวัยกว่ามากคุณคิดว่าควรจะเป็นราชิ น, นีหรือว่าเป็นบุตรสาวดีล่ะเนี่ยแล้วพวกคุณคิดว่ายังไงล่ะเขาย้อนถามไปบ้างเพื่อหวังความคิดอ่านของพวกนายจ้าง เราก็คิดว่าสาวน้อยผู้นี้นะ่ะน่าจะเป็นเจ้าหญิงผู้เป็นลูกสาวมากกว่านะ่ะอิสเบรนเป็นผู้ตอบมาแทนอาการของหล่อนครุ่นคิดใคร่ครวนอย่างเต็มที่หันมองภาพนั้นอย่างมีอะไรบางอย่างที่ประทับใจปากก็กล่าวต่อไปช้าชาลักษณะเครื่องแต่งกายเครื่องประดับแวดล้อมท่านั่ง ขทาตราดวงอาทิตย์แล้วก็ดาบอาญาสิทธิ์ที่นางถือไข่กันอยู่ที่หน้าอกสอให้เห็นว่าน่าจะมีศักเหนือกว่าเจ้าหญิงธรรมดาแต่เป็นลักษณะของผู้ที่จะสืบครองราชสมบัติต่อไปซะมากกว่าคราวพรินเซสหรือมกุฎราชกุมารีและภาพที่แกะสลักไว้นี่ก็ควรจะเป็นภาพที่บันทึกไว้ในระหว่างราชพิธีสถาปนาแต่งตั้งขึ้น ควรจะเป็นภาพที่แกสลักไว้ก่อนภาพเขียนที่เราเห็นอยู่ทางด้านโน้นซึ่งเป็นเหตุการณ์ของราชพิธีแห่ศพลงสุสานภายหลังระพินผ่อนลมหายใจลึกยอมรับอยู่ภายในว่าข้อวิเคราะห์ของฝ่ายนายจ้างของเขาฉลาดเฉียบคมยิ่งนะและมันก็ใกล้เคียงความจริงที่สุดก็อาจจะเป็นอย่างนั้นแะครับ เขาแบ่งรับแบ่งสู้ย้อนกลับไปที่ภาพแห่ศพสองศพโดยมีนักบูตมันไรเป็นเจ้าพิธีอยู่ด้วยผู้สรุปต่อไปคือคริสติน่าผู้มีความละเอียดอ่อนแหลมคมเนื้อกว่าทุกคนของฝ่ายนายจ้างระพินมันจะเป็นไปได้ไหมในข้อที่ว่ามหากริั์ที่เป็นพระราชบิดากระบุตรสาวผู้รังตำแหน่งมกุฎราชกุมารี พอลูกทั้งสองคนนี่ประสบกระคระกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งทำให้ต้องเสียชีวิตลงพร้อมๆกันแต่ก็ยังเพียบพร้อมไปด้วยบารมีเกียรติยศในสักกตริั์ผู้ยิ่งใหญ่ทำให้เหล่าราชวงศ์เสนาอมาตย์และคณะผู้สิบทอดราชสมบัติกระทำพิธีอัญเชิญศพทั้งสองลงไปบรรจุอยู่ในสุสานเบื้องล่างอย่างสมพระเกียรติและต่อมาก็ได้เขียนภาพเป็นการจารึก ทางประวัติศาสตร์ของนครนิไว้ให้เป็นที่ปรากฏอืมคุณก็วิเคราะห์ได้อย่างมีเหตุผลแต่จะถูกต้องหรือไม่ก็สุดที่ใครจะรู้ได้มันจะต้องเกิดอะไรที่เรายังเดาไม่ถูกขึ้นนะจึงก่อให้เกิดความตายขึ้นทั้งสองคนพ่อลูกคู่นี้และจะต้องเป็นเหตุการณ์ก่อนหน้ายุคสมัยของพันธุมวดีก็ไม่นานเท่าไหร่นัก พระมันไตรก็ยังปรากฏอยู่ในภาพนี้ด้วยจริงไหมผู้พูดก็คือด็ตอร์สแตนลีย์ซึ่งคนเหล่านั้นคงจะหารือกันก่อนแล้วเราอาจได้หลักฐานอะไรเพิ่มเติมในข้อวิเคราะห์ของพวกคุณหากเราลงไปสำรวจภายใต้สถานเทวไลยนี่ถ้าเราพบหีบศพสองพ่อลูกก็แปลชัดว่าควรจะเป็นไปตามข้อสันนิษฐาน ผมคิดว่าหีบศพของมหากัตร์นิรนามผู้นั้นยังคงอยู่ใต้สุสานนี่แหละรวมทั้งซากด้วยแต่หีบศพของมะกุูราชกุมารีอาจจะเหลือแต่หีบที่ถูกเปิดค้างทิ้งไว้ศพของเจ้าหญิงจะไม่ปรากฏอยู่ด้วยเอา้าคุณรู้ได้ยังไงละพินทุกคนถามเร็วปรือมาเป็นเสียงเดียวจากคำพูดของเขาจากสีหน้าเยียบเย็น อันเป็นปกติสภาพของเขารพินไทรวันตอบเนิบเนิกมาว่าครับมีบางสิ่งบางอย่างผ่านแวบเข้ามาในดวงจิตของผมเดี๋ยวนี้เองครับทำให้เข้าใจอย่างนั้นปะเดี๋ยวเราจะได้พิสูจน์กันให้เห็นได้ชัดนะครับ